ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องทำตนเป็นคนศูนย์ตอนที่หนึ่งโดยสมนาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ 1. มิถุนายน2546นาณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบบัดนี้ค่ะ จะเอาพระสูตรมาพระสูตรหนึ่งนะนะพระสูตรนี้ชื่อว่าเมขียสูตรซึ่งมีพูดถึงถึงการแก้พรนะพุทธเจ้าท่านมีตัดเอาไว้ถึงการแก้อย่างเช่นอย่างเช่นท่านตัดถึงว่าจเจริญอสุภะนะเพื่อละราคะเรื่องของการ ของคำว่าจเจริญเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินบ่อยๆว่าอาจจเจริญสำเพอชงจเจริญอิธิบาทจเจริญอะไรอ่ะมักมีโยงแปดเนี่ยเราจะได้ยินอย่างเี้ยบ่อยๆคำว่าจเจริญหมายความว่าทำให้บ่อยๆทำให้มากๆทำให้พัฒนาขึ้นนีน่คือคาว่าจเจริญ แม้แต่เจริญธรรมเนี่ยอย่างบางทีพวกเราเอามาใช้เวลาพบปะเจอะเจอกันเราก็บอกว่าเจริญธรรมการเจริญธรรมเนี่ยหมายถึงว่าทํทาธรรมะให้บ่อยๆนะทําเรื่อยๆทําแล้วก็ให้เกิดการพัฒนาเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างนี้คือความหมายของคําว่าจจเจริญวันเจริญธรรมก็คือเนี่ยปฏิบัติธรรม ให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นนะนี่ก็คือคําว่าเจริญเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยก็ใช้คําว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจริญอสุภะเพื่อละราคะอสุภะนี่ก็หมายถึงอะไรอสุภะอสุภะไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าศพเพียงอย่างเดียวนะบางคนเขาใช้เนี่ยคำว่าอาสุปเนี่ยนะซากอาสุป นะหรืออสุภะนั่นเองก็จริงๆอ่ะไม่ใช่แปลว่าแค่ซากศพหรือว่าอะไรที่ตายแล้วนะอสุภะนี่หมายถึงจริงๆแล้วแม้ของไม่สวยไม่งามของไม่สวยไม่งามเนี่ยก็เรียกว่าอสุภะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ที่เราบางทีในพระไตรปิฎกบ้างหรือว่าในที่ต่างๆที่เราไปอ่านหรือว่าไปเจอบางครั้งก็ บอกให้ปรง่งสุภาพอย่างเงี้ยนะบางครั้งก็ไปเข้าใจอยู่แต่ว่าอะไรอ่ะต้องไปดูเข้าพาศพนะที่โรงพยาบาลหรือว่าไปอะไรไปดูตามตลาดไปดูตามแผงหมูอ่ะเขียงหมูมัง่งนะเขียงเป็ดเขียงไก่เขียงปลาเขียงอะไรบ้างเงี้ยนะไปดูโหเชา้ชาเช้าเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่ไปจ่ายตลาดจะเห็นได้บ่อย นะอสุภะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่อะไรได้เห็นเขาเอาสัตว์มาหรือว่าเอาคนมามากรีดบางทีกรีดโอ้โหกรีดท้องนะเอาตับไตไส้ภูงออกมาเอามาล้างเอามาอบางทีเขาก็ทิ้งไปเลยนะบางบางทีก็ไม่ได้เอามากินอีกเพราะฉนั้นอันนั้นนะก็เป็นอสุภะด้วยแต่อสุภะ ไม่ใช่แค่บอกแล้วไม่ใช่แค่สรากศพอสุภะไม่สวยไม่งามพระะน้นบางทีเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่เสื้อผ้าแบบไหนที่จะเรียกว่าอสุภะฮะเสื้อผ้าแบบไหนที่จะเรียกว่าอสุภะสำหรับเราอืมเสื้อผ้าที่เราไม่ชอบอะละ นะมันไม่สวยไม่งามสําหรับเรานั่นแ่ะจริงๆได้อย่างนั้นอ่ะก็ต้องถือว่าอสุภะสําหรับเราจะต้องเข้าใจให้ได้นะประเด็นเนี้ยแต่ว่าหลายคนบางทียังไม่ค่อยเข้าใจถ้าอาหารการกินเละจะเรียกว่ายังไงถึงเรียกว่าอสุภะอาหารยังไงไม่ใช่อาหารที่โอ้โหผัดมาดํำๆปี๊ปีไม่ไม่เกียมเกียวแล้วก็เลยบอกโอ้โี่ก็อสุภะไอ้นั่นอ่ะใช่ใช่อย่างหนึ่งละ แต่ไม่ใช่ก็ได้ถ้าอะไรถ้าอย่างบางคนเขาชอบเกีรเกียม์ยมอ่ะเขาชอบไม่ไม่อ่ะอ่าอย่างนี้เราจะเรียกว่าอสุภะสําหรับคนนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจคําว่าอสุภะได้ถูกต้องเข้าใจแต่มุมทั่วๆไปที่ส่วนใหญ่พูดถึงกันเพราะฉะนั้นถึงแก้ราคะของตัวเองไม่ออกแก้ราคะของตัวเองไม่ได้ ราคาคืออะไรความชอบอความกำหนัดนนจะกำหนัดในกามหรือความความยินดีพอใจต่างๆนี่น่นก็คือราคานะเนเพียงแต่ว่ามันมีแก่กลางอ่อนเท่านั้นเองว่าราคาแบบไหนเพราะนั้นราคานี่คือความกำหนัดความยินดีความพอใจร้อนพอเราพูดถึงเรื่องอาหารการกิน อะไรที่เราชอบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสุภระคือเรายินดีเรานิยมชมชื่นเราชอบอย่างนี้ยเขาเรียกว่าสุภาดูแลเป็นของสวยงามสำหรับเราแต่ของไหนเราไม่ชอบอาหารอย่างนี้ยเราไม่ชอบกินเราเกลียดอย่างเงี้ยอาหารนี้เป็นอสุภาษสำหรับเราเพราะฉะนั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจ ะ, จะเจริญอสุภาเพื่อ ล้างราคาอ่าเพราะฉะนั้นคันนี้ดูนะยกตัวอย่างถ้าเอาเอาจากใหญ่ๆก่อนผู้ชายคนหนึง่งหรือว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปชอบอีกคนหนึง่งนะถ้าผู้ชายก็ไปชอบผู้หญิงอีกคนหนึง่งหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปชอบผู้ชายอีกคนหนึง่งปรากฏว่าใช่ไหมความรักความชอบนี่เป็นอะไร เออเป็นราคะใช่ไหมเป็นความยินดีเป็นความพอใจเป็นความชอบใจตอนนี้เราต้องการจะล้างราคะเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าใช้อสุภะเวันคราวนี้พอเราไปรักหรือว่าเราไปชอบผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นแล้วจะใช้อสุภะยังไงอ่ะถึงจะล้างจิตที่เป็นราคะนี้ได้ตอนนี้พูดถึงผู้ชายผู้หญิงก่อนยังยังไม่พูดถึงอย่างอื่น ะจะวิปัสนาหรือจะพิจารณาหรือจะทรรมวิจัยยังไงที่จะล้างความที่เราจะไปติดไปรกักไปหลงผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคนนั้นอ้าวเช่นเช่นอะไรนะนีสัยเขาขี้โลภแล้วเราขี้โลภด้วยป่ะ เ, เดี๋ยวสิ เราชอบด้วยหรือเปล่าล่ะไอ้ที่นิสัยขี้โลภเนี่ยอ่าถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมอย่างนั้นถึงจะเป็นอสุภะถูกไหมถูกไหมแต่ถ้าเราชอบเป็นยังไงอ่าเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นเขาขี้โลบก็จริงแต่ในความขี้โลบนั้นแหมตรงสเปค <c oughs> คือเราก็ชอบด้วยถ้าอย่างนี้เป็นอสุภะไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องชัด ประเด็นพวกนี้เพราะบางคนเนี่ยไปล้างจิตแล้วล้างไม่ออกเพราะว่าเขาพิจารณาไม่เป็นอ่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ถูกต้องจริงเนะ่ยมันต้องดูที่ตัวเราดูที่จิตของเราแต่ตอนนี้เอาละพูดปนไปกับว่าดูที่เขาด้วยก็ได้นะเมื่อกี้นี้บอกว่าอะไรถ้าเขาขี้โลภใช่ไหมแต่เรารู้ว่าเราไม่ชอบคนขี้โลภใช่ปะ อ่าใช่ไหมล่ะกี่นี้พูดขึ้นมาอ่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขาเกิดขี้โลภอย่างนี้เราเห็นแล้วเป็นอสุภะได้ใช่ไหมอ่าอ้าวไหนใครยกตัวอย่างอีกสิเขาพูดเพราะแล้วเป็นไงอ่ะอ่าถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมอ้าวอย่างนี้ก็ชัดก็คล้ายกันกับที่นั่นบอกว่าไม่ชอบคนขี้โลภอ่าอันนี้อันนี้ก็ยังเป็นอยู่ในข่ายของนิสยยัยกิวตีอ่ะใช่ไหม ชอบให้เขาด่าไงเอาชอบพูดธรรมดาอ่เอาถ้าสมมติอย่างนี้เขามาพูดหวานจังเลยเอาง่ายๆเขามาพูดหวานจังเลยเขามาพูดเพราะเพราะเพราะอะไรเพราะแบบไพเราะเกินไปเบอร์นะหวานเกินเราไม่ชอบแต อ, อย่างนี้เรามองเห็นแล้วเออเป็นอสุภะได้ทำให้เราแทนที่จะยินดีพอใจใช่ไหมราคานี้คือยินดียินดีพอใจเนี่ยก็ทาให ความยินดีพอใจนี่ลดลงเพราะโอ้โหอย่างนี้เราไม่ชอบอ่อาอ้าวเสร็จแล้วอะไรอีกนะยกตัวอย่างมาสิที่จะมองให้เห็นให้ได้ว่าว่าผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้มีอสุภะแล้วมันถึงจะทำให้จิตราคะหรือจิตยินดีพอใจของเราเนี่ยลดลงได้อา้าวอะไรอีกเช่นโสปก ปีไงอ่ะแหมเขาไม่อาบน้ำเลยหรือไงหรือเขาไงแต่งแต่งตัวแต่งตัวไปคุกกี้โคลที่ดินมาหรือยังไงฮะแล้วใครเขาจะเป็นอย่างนั้นก็น่าหนาสิคือที่พูดมาเนี่ยนะอาตมาว่าไอ้ถ้าพูดมาที่พูดมาตอนนี้คือ คืออย่างเนี้ยเราไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมถ้าพูดอย่างที่ยกตัวอย่างกันมาเนี่ยเราไม่ชอบอยู่แล้วอย่างนี้คุณจะไป ม, มีราคากับคนนั้นได้ยังไง <c oughs> ถูกหรือเปล่าว่าคนที่เราชอบอ่ะอย่างเช่นโอโ้โหเอาสมมติว่าชอบเขาพูดพูดจาสุภาพอย่างเลยโอโ้โหหน้าตาก็ดีอะอะไรอีกแต่งตัวก็เข้าท่าอ่าอย่างนี้สิคุณถึงจะไปมีม กาไม่มีลาคะจิตยินดีพอใจกับเขาแต่พอเราไปมียินดีพอใจแบบเนี้คุณจะพิจารณาอย่างไงที่ทำให้เห็นเป็นอสุภะไม่อย่างนั้นอาตมาบอกตัวเลยว่าคุณล้างไม่ออกหรอกคุณล้างจิตไม่ได้ความไม่แน่นอนของของขานอันนั้นจะเป็นบทพิจารณาอีกบทหนึง่งแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่า เราจะล้างจิตยินดีพอใจลงมาเนี่ยนนในเรื่องของราคะโดยพระเจ้าท่านบอกว่าใช้อสุภะในการล้างจิตอย่างเช่นอ้าวคนนี้นะเราชอบโอ้โหเนี่ยผิวเขาก็สวยหน้าตาก็ดีเรียกว่าเหมือนนางงามจักรวาลเลยหรือโอ้โหเหมือนพระเอกหนังเลย แล้วเราก็นิยมชมชื่นอย่างนี้อ้าวแล้วคุณจะล้างยังไงคุณจะเอาอสาุภาพอะไรยังไงเนี่ยมาล้างจิตที่มันมีความยินดีอย่างนี้ ก, ก็นั่นนาทีมองอยังไงอ่ ะ, ออะเอาอันนั้นอันนั้นก็ถูกละเอามองที่สยไม่ดีเอาสมมุติว่าเอาคนที่หน้าตาดีแต่ที่สัยไม่ดีอ่าเอ า, เอาคุณก็พอทอนลงไปได้ใช่ไม่มแต่ก็ไม่แน่นะ บางคนก็นิสัยไม่ดีแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกหน้าตานี่เอาไว้ก่อนอ้าวหรือบางบางทีเข้ารวยอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีบางทีเข้ารวยอย่างเงี้ยถึงไม่หล่อจริงๆเราเราไม่ชอบนะคนหน้าตาไม่หล่อหรือว่าไม่สวยเราไม่ชอบโอ้แต่เขารวยอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอ้ความรวยของเขาเนี่ยเราเราเรายกให้มากกว่าไอ้ไม่สวยไม่หล่อไม่เป็นไรเอาก็น่าเนียสิอัตมากำลังจะพยายามให้พวกกูเนี่ย พิจารณาให้ได้ให้ได้จริงๆคือไม่ใช่ฟังธรรมะแล้วก็ฟังเป็นวิชาการฟังแล้วเป็นความรู้แต่พอเวลาไปถึงจริงๆเข้าโอ้โหคนนั้นก็ดีนะคนนี้ก็ดีนะ <c oughs> แล้วก็ปรุงพุ้งไปเรื่อยเลยเป็นลาคะโดยที่เรียกว่าควบคุมหรือว่าแก้จิตแก้ใจตัวเองไม่ได้แต่คราวนี้ต้องได้จริงๆ นะไม่ใฝ่ฟังไปแล้วเอาไปใช้หรือเอาไปปฏิบัติกับจิตกับใจเราไม่ได้เพราะฉะนั้นของจริงอา้าวลองดูซิอย่างเช่นเนี่ยหน้าตาเขาโอ้โหนี่ก็สวยดีนี่ก็หล่อดีอา้าวคุณจะพิจารณาไงอ่ก็ถูกนะอันนั้นก็พิจารณาว่าเขาไม่ดีในมุมนั้นบนนี้ก็เหมือนกับที่ลก่กี้ที่ พูดมาเหมือนกันแต่นี่เอาเดี๋ยวอาตมาจะพูดให้ฟังคือคืออันนั้นอะ่ะอันนั้นมันก็ใช่ด้วยแต่ถ้าคุณพิจารณาอย่างนั้นอะ่ะอาตมาบอกแล้วว่ามันจะต้องมีการขย e ง g กันอยู่เพราะว่าอาตมาบอกแล้วว่ามันอยู่ที่น้ำหนักถ้าคุณพิจารณาไอ้ไม่ดีของเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ไอ้เรื่องที่คุณชอบเนี่ยมันมากกว่าเนี่ยไอ้ที่คุณพิจารณาจะตกไปมันจะสู้ไม่ได้ เข้าใจไหมเพราะหลายคนที่ที่พออย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าคลายจิตที่เป็นกามหรือว่าเป็นราคะไม่ออกเพราะว่ามันมันพิจารณาแล้วมันมันไม่ไม่เป็นไปตามที่ที่พูดง่ายว่ามันยังไม่ตรงประเด็นมันยังไม่ตรงจุดไม่ตรงเป้าของมันตอนนี่กยกตัวอย่างจริงๆพวกเราน่าจะนึกออกนะแต่ทําไมอาตมาก็เอ๊ะทำไมแค่นี้นึกไม่ออก อย่างเช่นอย่างแค่หน้าตาเนี่ยเอาเอาเอ า, เอ า, เอาง่ายง่ายก่อนอาตมาพยายามเอาพื้นพื้นก่อนนะนี่สยัยน่ยอาจจะมายังไม่พูดถึงเลยด้วยซ้ำไปเอาแค่หน้าตาต่อหน้าตาเนี่ยว่าคุณชอบหน้าตาแบบเนี้ยคุณชอบรูปร่างแบบเนี้ยแล้วคุณจะพิจารณายังไงอันนี้พระเจ้ามีสอนมาอยู่เหมือนกันพิจารณาไงหน้าตาต่อหน้าตาเนื้อตัวต่อเนื้อ ต, ตัวผิวหนังต่อผิวหนังพิจารณาอย่างไง อ่าตาสวยโอ้โหดังตาโคอาเขาบอกไม่รู้นะอันนี้สำนวนเขาพูดกันแต่แต่ตามายังนึกอยู่ ใ, ใจเคยไปดูเหมือนกันนะนะตาวัวนะตาโคก็คือตาวัวไปดูอยู่กันนึกมันสวยตรงไหนว ะ, ะแต่เขาชมอย่างนั้นนะะก็โอ้โหตางามเหมือนกับตาโคเลยนะแหมหรือว่าอะไรนะเหมือนกับเนื้อทรายเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาก็ชมจังเลย อย่างเงี้ยเราก็พิจารณาโดยจะอะไรบอกแล้วพิจารณาจากลู ก, กตาเอา้าเอา้าพูดถึงลู ก, กตาก็เลยพิจารณาจากลู ก, กตาเป็นไงเออก็มีขี้ตาบ้างแล้วบางทีตาก็บางคนก็เป็นไงบางคนเพิ่งไปผ่าตาัดตามาเนี่เออไมเป็นต่อก็ได้เป็นอะไรอีกอะโรคต่างหลายอย่างริดสีดวงตาก็ได้อะไรทั้งหลายอย่างที่เราจะพิจารณาหรือบางทีก็ตาก็ อะไรตามืดตามัวใช่ไหมตาถัว่ว <c oughs> เหร อ, อเพราะนัากับพิจารณาได้ดใช่แต่ว่าอาตมา ก, กำลังจะบอกให้ฟังว่าจริงว่าสำคัญจริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตของเราว่าเราเนี่ยอาตมาบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าจิตเราเนี่ยไปไปยินดีไปชอบใจอะไร ถึงบอกว่าชอบใจที่ตาจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังจะมาล้างที่จิตเราไม่ใช่ไปล้างที่ตาเขานะว่าเราพิจารณาเสร็จตาเขามีขี้ตาเพราะนั้นก็ล้างตาซะก็จะไม่มีขี้ตาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่พิจารณาที่จิตเราว่าทําไมเราไปติดอยู่แค่ไอ้ไอดวงตาแค่นี้มัแม้ตาหวานอย่างเลยโอ้โหตาอย่างนี้ฉันชอบใช่ไหม แต่ความจริงอะ่ะตาจะหวานยังไงก็ตามใช่ไหมก็ถ้าอารมณ์ดีก็ตาใสาได้อารมณ์ไม่ดีตาก็ขุ่นไดใช่ไหมโกรธก็ได้ตาแดงก็ได้ไม่รู้นะ่ตาเหลืองตาเขียวอะไรได้ทั้งนั้นอะ่ะอา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพิจารณาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้ที่เราว่าเราจะไปรากดวงตาเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงนะ ใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ที่จิตใจบอกแล้วมันอยู่ที่จิตใจเขาด้วยแต่ที่สําคัญเนี่ยอยู่ที่จิตใจเราด้วยอ่าแล้วก็เนื้อตัวเป็นยังไงบอกแล้วผิวพันผิวหนังงดงามเงี้ยพิจจะอ่าพิจารณา ย, ยัางไงเออมันก็มีขี้เหงื่อมีขี้ใครโอ้โหต้องคอยทําความสะอาดเพราะนนัน้ผู้หญิงเนี่ยต่อให้เป็นนางงามจัดกวารหรือว่าจะเป็นชายงามก็ตามแต่เป็นยังไง เป็นนางงามจั ก, กรวาลแล้วไม่มีขี้เหงือกที่ใครยังไงมีก็ต้องโอ้โหมันดูแลมันรักษามันทำความสะอาดอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นคือมันต้องมองให้เห็นสัจจะเข้าไปจริงๆพวกนี้นะมันถึงจะเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราหลงไปเองนะว่าแหมผิวเนื้อสวยอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวก็อะไรอ่ะเป็นแผลได้เหี่ยวได้ นะขี้กะขี้เกลื่อนก็ขึ้นได้พอเราพิจารณาอย่างเงี้ยเราถึงจะเห็นว่าไอ้เราจะไปติดได้ยังไงไปหลงได้ยังไงในเมื่อผิวพันธุ์เนี่ยมันก็อีกหน่อยอายุมากขึ้นก็อาจจะตกกระหรืออาจจะเหี่ยวนะ่ชราไปอย่างเงี้ยคือการพิจารณาไปอย่างเยี่ยมก็ทําให้จิจก็เริ่มคายลงมันจะไม่ไปหลงอยู่แต่อสภาวะเนื้อหนังมังสาเท่านั้นนะหรืออย่างอื่นๆ อ, อันเนี้ยคือพิจารณาที่ ที่เป้านั้นเลยที่ประเด็นนั้นเลยไออันนั้นอนะมันพูดได้แต่บอกว่าลักศีลรักพรหมจรรย์เนี่ยพอไปเห็นปั๊บหายไปไหนหมดไม่รู้ศีลเสินมันมันไม่ง่ายเหมือนที่คุณพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตาบใดเนี่ยถ้าจิตคุณยังมีราคะในเรื่องนั้ น, น, นอยู่และคุณไม่เห็นเป็นอสุภะได้บอกได้เลยว่า ต่อให้มาถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยไอตอนถือศีลปฏิบัติธรรมบางทีออืเก่งคัดดีอะไรดีนะแต่คุณไม่ได้ล้างจิตนะถือว่าคุณไม่ได้ล้างกรรมคุณไม่ได้ล้างราคาจริงนะมันยังหมกมันยังฝังอยู่ในจิตคุณเลยเสพยพอคุณปฏิบัติไปปฏิบัติไปคุณใหม่ๆคุณมีความปิติมีความยินดีโอหูนะแปลกที่แปลกหน้าแหมทําไปแล้วโอหูรู้สึกพอใจเหลือเกินนะแหมถือศีลได้ดีถือศีลไดผงง้ผ่านอย่างนั้นผ่านอย่างนี้ สูงขึ้นสูงขึ้นในความรู้สึกของเราเองแต่ถ้าจิตยังไม่ล้างกิเลสจริงเนี่ยอันนี้เนี่ยพูดง่ายว่ามันยังมันยังหมักหมมเขาเรียกว่ามันยังหมกหมักหมมันยังฝังอยู่ในจิตเราเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นสภาวะที่เก็บกดอยู่ในจิตนะยังไม่ได้คลายยังไม่ได้เอาออกไปจริงข้อนศาสนาพุทธนี่พระเจ้าถึงบอกว่าไม่ใช่อย่างนี้ศาสนาพุทธไม่ใช่มารเก็บกดศาสนาพุทธปฏิบัติแล้ว ต้องมีปัญญาด้วยนันศีลจะต้องคู่กับปัญญางนั้นการปฏิบัติกับปัญญาปัญญาอะไรปัญญานี่ไม่ใช่ปัญญาแค่รู้เรื่องศีลแต่ปัญญานี่คือรู้เรื่องกิเลสของเราแล้วก็สามารถชําแรกนะหรือชําแหลกกิเลสของเราที่มีอยู่เนี่ยทิ้งออกไปได้นี่คือาศาสนาพุทธและไม่ใช่มาเก็บกฎ พันนี่คือความแตกต่างพันสังเกตไหมอย่างบางคนเนี่ยต่อให้มาบวชมาบวชจนกระทั่งโอ้โหหลายปีจนกระทั่งได้เป็นนักบวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาปรากฏว่าเห็นไหมบางทีบวชไปบวชไปบวชไปแล้วยังต้องโอ้โหต่อให้เป็นเถระด้วยเอาสิบพันษาบ้างยี่สิบพันสาบ้ง 20, าบงมีมาแล้วที่ยังต้องศึกออกไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเรื่องอะไรก็ นูน่นแค่เรื่องผู้ชายผู้หญิงแค่นี้เองก็ยังศึกออกไปแต่งงานแต่งการมีครอบครัวเพราะอะไรเพราะยังหมักหมเอาไว้เนี่ยไม่ได้ถอนออกจริงไม่ได้ล้างออกจริงอันทัท้ทั้งที่คุณดูนะบวชมาเป็นพระเนี่ยก็ต้องอยู่ในสีอยู่ในวินัยัตั้งสิบปียี่สิบปีเอาถ้าในขณะที่ปฏิบัติมาจริงสิปี20ปีถ้าล้างกิเลสล้างราคะเนี่ออกไปจริงจากใจมันลดลงไปจริงมันลดลงไปจริงมันหมดไปจริง มีเหลือจะสึกออกไปมันไม่มีเพราะนั้นอะไอ้ที่สิบปียี่สิบปีปฏิบัติมาเนี่ยมันมีอย่างงดมันมีอย่างนี้มากลบมันกลบเกลื่อนมาทำให้เราก็เลยแบบว่าเออผ่านไปได้ผ่านไปได้ไไดแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาได้นี่มันไม่ได้ล้างกิเลสออกเพราะนพอมันถึงเวลาที่เรียกว่าคราวเนี้ยไปเจอที่ตรงสเปกใช่ไหมที่ ท, ที่ที่หมักหมมเอาไว้เนี่ยโอ้โหสเปกอย่างนี้ใช่เลย ใช่เลยไม่มีอย่างอื่นโอก็ต้องคนนี้แหละเพราะฉนั้นพอเจออย่างนี้เข้าเอาเราซีไอที่คุณหมักหมมไว้ก็เอาปะทุเอาซีก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วคราวนี้ยถ้าคุณฝึกมาไม่ดีพอหรือคุณไม่แข็งพอใช่ไหมพอมันขึ้นมานี่ยคุณสู้มันไม่ไหวคุณก็แพ้แต่ถ้าคุณฝึกมาดีพอแม่คุณก็สู้กับมันได้อย่างนี้คุณก็สามารถที่จะเนี่ยล้างราคะนั้นทิ้งไปได้ ว่าเนี่ยที่พยายามถามอันเนี้ยมันมันไม่ง่ายเนี่ยอย่างพวกเราอะคารวะนี่ก็ก็เหอะมาอยู่วัดดีก็ตั้งใจว่าจะขึ้นมาจนเป็นนักบวชชื่อซ้ำไปนะบางคนก็แหมอยู่วัดมาได้ตั้งนานเป็นสิบปี20ิบปีเหมือนกันบางคนเนะ่ยก็พยายามเนี่ยแหละฟังเทศฟังธรรมก็เยอะนะฝึกฝนปฏิบัติก็พยายามฟังเทศเนี่ยทั้งพ่อท่านทั้งสมณาดาก ตั้งสิคมาดก็พูดให้ฟังดังเยอะังแยะโอ้โหแต่เห็นไหมบางทีลออจากคนนั้นลออจากคนนี้เสร็จมาตายที่คน <c oughs> คนนี้จนได้อะอะบางทีอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะบางคนเนี่ยบอกแล้วถ้ามันไม่ไม่ได้มีวิบากกรรมร่วมกันมันไม่ใช่สเปค ท, ที่ที่เป็นวิบากร่วมกันอยู่เนี่นะบางที เราเองเราพอมีพลังกาลังเนี่ยเราก็เออเอาอสุภะโนนอสุภะนี่พยายามมาแก้มาล้างไปมันบางทีมันพอไปได้แตพ่พอคุณเจอคู่เวรคู่กรรมเนี่ย <c oughs> คุณเจอคู่เวรคู่กรรมที่เรียกว่าโอ้โหมีฤทธิ์ที่ดึงดูดใจเราแรงมากเนี่ยพอมาเจอปั๊บนี่โอ้โหนั้นคราวนี้ยคุณฝึกมาไม่ดีพอพอเจอมันก็โอ้โหไฟชอ็อตเต็ม มันก็แรงนะคราวนี้พราะพอเจอเข้าเนี่ยคุณเปิดตําราไม่ทันเลยนะคราวนี้ยที่ใครบอกอะ่ะนะแมท่องเงินท่องอันี้มาตั้งเยิงแยะโถเอ้ยทําไมจะไม่เคยท่องนะสวดมนต์ก็สวย ก, กันอยู่เกือบทุกวันพอเจอปับ๊บดิบางทีอะโอ้โหตํารงตาํารามันไปไหนหมดเลยอะจริงๆมันทิ้ตําราไม่ทันก็มีมาแล้วอะ่ะใช่ไหมตัวอย่างมีมาแล้วที่โอ้โห บางทีเทศเก่งสอนเก่งด้วยใช่ไหมเรายังนึกๆโอ้โหแม่น่าจะ <c oughs> น่าจะบรรุบรรุปไปแล้วนะโอโ้ที่ไหนได้ยังปรากฏว่ายังต้องย้อนกลับทางเกวียนสายเก่า <c oughs> ยังต้องย้อนกลับไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ถ้าถ้าจริงแล้วนี่ไม่ต้องมากนะถ้าจริงนะแค่ศีลห้าเนี่ยถ้าคุณได้จริงศีลห้าถ้าคุณได้จริงเนี่ยนะอ่า คุณก็ไม่ไม่ตกลงไปจากศีลห้าแล้วถ้าคุณได้จริงแค่โซลฐานโสดาบันเนี่ยคุณได้จริงคุณไม่ถอยลงแล้วอันนี้พระเจ้าก็ยืนยันเลยเพราะฉนั้นถ้าพวกเราชัดอันนี้ยิ่งอย่าว่าแต่ศี่ห้าเลยถ้าคุณขึ้นมาศีลแปดจริงอย่างงี้โอ้ยคุณยิ่งไม่ถอยเลยแต่บอกแล้วนะไม่ใช่เออเลื่อนขึ้นมาตามวันเวลาแก่วันแก่เดือนแก่ปีขึ้นมา เหมือนกับอะไรอะ่ะเด็กนักเรียนเนี่ยที่พอเรียนหนังสือครูเขาก็โอ้โหอย่าให้มันอยู่อีกเลยไอ้คนเนี้มันนานแล้วนะให้มันจบจบออกไปเถอะแต่ถ้าสอบจริงๆเนี่ยสอบไม่ผ่านใช่ไหมแต่เขาเอาให้มันจบจบห้เถอะมันอยู่มาหลายปีแล้วนะสงสารมันมม่ให้มันออกออกไปเถอะได้ไปหางานหาการทําอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ย ต้องสอบให้ผ่านจริงๆถ้าคุณไม่ผ่านจริงอะ่ะโดยปรามัดคุณไม่ได้โดยปรามัดหมายถึงว่าโดยมรรคผลนี่คุณไม่ได้คุณได้แต่โดยสมมุติเท่านั้นเองเอา้าวลูปแบบว่าถือศีลห้าแหมคุณก็ทําเปลือกข้างนอกนี่คุณก็ทําได้นะศีลห้าแต่คุณไม่สามารถทําได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลห้าได้เพราะฉะนั้นโดยปรามัดนี่ยังไม่ได้ได้แต่เปลือกนอกเหมือนกับคนที่มาบวชเป็นนักบวช เป็นภิกษุอย่างนงี้รูปแบบพระโทก็โกนหัวนุ่งห่มจีวร อ, อันนี้เราก็เรียกว่าโดยสมมุติไม่ใช่โดยปรมามัดเพราะนั้นแม่ภิกษุเนี่ยแม่แต่ในสมัยพุทธกาลภิกษุที่เป็นปุถุชนก็มีนี่นี่สมัยพุทธกาลคื อ, อที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาสมัยที่พทธเจ้าท่านมีพระชนอยู่นะคิดดูเอาสิ ภิกษุที่เป็นปุถุชนก็มีภิกษุที่เป็นโสดาบันก็มีนะแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ก็มีเพราะนั้นมีหมดแหละไม่ได้หมายความว่าแม้พอมังกรหัวนุ่งผมจีวรแล้วก็อะไรอะได้เป็นอริยบุคคลขึ้นไปหมดไม่ใช่หรอกบางทียังเป็นปุถุชนอยู่เลยเป็นปุถุชนจริงๆนะเออไม่อย่างงั้นจะไปมีอาบัติบาาชิก จะไม่มีอะไรต่ออะไรเลอคุณใช่ไหมเพราะนั้นความเป็นจริงเน่ยมันไม่ใช่แค่เปลือกเปลือกไม่ใช่แค่สมมุติอันจะต้องให้ได้มากผลได้จริงๆโดยปรมัติมีผลที่เกิดกับกายวาจาใจของตัวเองเนี่ยได้นะอันนี้เอาย้อนกลับมาที่อสุภะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอสุภะเนี่ยจะไปล้างราคะได้ ล่ากี้นี้อาตมาพูดโดยตรงๆว่าเนี่ยถ้ า, เ, าเนื้อหนังมังสารูปร่างหน้าตาเราไปติดเราไปลักเราไปหลงเราไปชอบเพราะอะไรจริงๆทุกเรื่องหน้าที่คุณไปติดที่คุณไปชอบที่คุณไปหลงจะชอบเพราะหน้าตาจะชอบเพราะเสียงจะชอบเพราะอาบอกแล้วรถที่ยมการแต่งกายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งนั้นน่ะมันมีอสุภะได้ทั้งสิ้น แต่คุณเคยไปพิจารณาไหมคือขอให้พิจารณาให้ตรงประเด็นก่อนนะในในสุภาษนั้นนะ่ที่ที่ที่เราเราไปหลงยินดีเขานะ่ในเรื่องนั้นนั้นนะมันมีมุมตรงข้ามอยู่เพรา ะ, ะถ้าเราพิจารณาตรงประเด็นอย่างนี้ได้จิตคุณจะลดราคะลงไปได้ขนาดนึ่งละแต่ต้องพิจารณาจรงิงๆ